เขาบอกว่าขนาดโลกิยะสมบัติเนี่ยนะยังบรรลุไม่ได้จะ ก, กล่าวไปยายถึงโลกุตระสมบัติเนี่ยนะฌานทั้งหลายยังยากสําสหรับผู้ยินดีในการคลุกคลีจะ ก, กล่าวไปลายถึงโลกุตระพระกุมารก็ตรัสว่าเราใคร่ครวนคําของพระประเจกพุทธเจ้าชื่อว่าพิจพันธ์อย่างนี้ว่าการที่บุคคลผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะเพิงบรรลุ วิมุตตอันมีในสมัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นั่นคือไม่เป็นเหตุที่จะมีได้ละความยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะปฏิบัติโดยเย็บคายคะคือหลีกออกจากหมู่ไม่ใช่ไปนั่งคิดถึงหมู่ตามเดิมเนี่ยนะไม่ใช่หลีกออกจากหมู่อยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาแต่บางคนเนี่ยใจเนี่ยกายเนี่ยหลีกจริงอ่ะแต่ว่าเพื่อนเยอะมากนะคุยกับคนนันทีทางความคิดอ่ะนะ คิดไปหาคนนั้นทีคิดไปหาคนนี้ทีเดียวก็หมดวันไปเองแล้วงั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ละอะไรหรอกเพราะใจมันไม่ได้ออกเลยเนี่ยนะการพิจารณาอย่างนี้ในะที่สุดก็บรรลุคาถาตรงนี้ที่พระสารีบุตรยกข้อความในพุทธพจน์ ที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระอานอนท์นะยกข้อความในมหาสุญญ า, าสูตรเป็นต้น จะบอกว่าดูก่อนอ น, นุภิกษุผู้ชอบความคลุก ค, คลีด้วยหมู่ยินดีในความคลุก ค, คลีด้วยหมู่ประกอบเนื่อง of, เนืองซึ่งความคลุก ค, คลีด้วยหมู่ชอบหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงในหมู่ประกอบเนืองเนืองซึ่งความ <sour> ชอบหมู <reasonably S 2> <els Lana. S 1> ่จัดเป็นผู้ได้ตามความประสงค์ได้โดยไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งสุขในเนคขมมะสุขในความสงดสุขในความสงบสุขในความตรัสรู้ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้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 ดูก่อนอ น, นุนภิกษุชอบความคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในความคลุกคลีด้วยหมู่ประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมู่ชอบยินดีในหมู่บันเทิงในหมู่ประกอบเนืองเนืองซึ่งความชอบหมู่จากบรรลุเจโตวิมุตอันมีในสมัยหรือโลกุตระมักอันไม่กำเริบอันมีในสมัยข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอ น, นุนส่วน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 นามรูปสลายยตนะก็มีถ้าสังขารมีวิญญาณมีทำเป็นที่ดับสังขารและ ว, วิญญาณก็ต้องมีเมื่อพิจารณาอย่างนั้นพระองค์ก็เลยถามอมตว่าเออเนี่ยเมื่อวัตตามีอยู่วิวัตตาที่กําจัดวัตตาก็ต้องมีสิก็ถามอมตว่าพวกท่านรู้จักวิวัตตาไหมนะมาดคำถามแบบนี้อมตก็บอกรู้มหาราชเออมเป็นยังไงอมตก็บอกสัสตตตถิถิโอโลกมันเที่ยงนะ โอ้เชี่นะโลกเที่ยงพวกอุเฉตก็บอกโอ โ, โลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีประกาศลัทธิมิจฉาทิฐิสารพัดเลยนะอ้างเป็นผู้รู้กันทั้งนั้นเลยก็ไปถามเถอะใครไม่รู้จักนิพพานมั่งนะตอบได้หมดนะแต่ว่าตอบแล้วจะเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งละครนี้นะตอบไปตามอย่างที่ใจอยากตอบนะนิพพานในความคิดอนะนะพระราชาก็าคิดว่าพวกอา ม, มาตย์ไม่รู้แต่ออ ม, มาตะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคนเจ้ามิจฉาทิฐิ เห็นความที่อมตเหล่านั้นเป็นผู้เป็นผู้แย้งไม่ควรด้วยพระองค์เองไม่สมควรในยลัทธิเหล่านี้มันมิจฉาทิฐิทั้งนั้นก็เลยคิดว่าวิวัตะที่กำจัดวัตตมีอยู่เราพึงแสวงหาวิวัตตเธอก็เริ่มคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเอ๊แล้วและจะพบในสิ่งที่ตรงกันข้ามได้อย่างไรก็ต้องแสวงหาอะไรอะไรที่แสวงหาคือแสวงหาอริยมรรคที่ได้ตรัสรู้ วิวัตตะเหล่านั้นก็เลยสละราชสมบัติออกบวชรมให้แจ้งปัจเจกโพธยนันเปล่งอุทานตรัสคถาพยากรณ์ว่าเราล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยงได้บรรลุอริยมรรคเป็นผู้มียานเกิดแล้วอันผู้อื่นไม่ต้องแนะนำเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก ทิฏฐิที่เป็นค่าศึกเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอย่างที่เราสาธยายในพุทธานุสติ2องใช่ไทิฏฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้ก็คือทิฏฐิ62ทิฏฐิหกเหล่านั้นแหละคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นค่าศึกศัตรูต่อสัมมาทิฏฐินันะเป็นค่าศึกสต่อสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคขัดแย้งต่ออริยมรรคทิมแทงต่ออริยมรรคยาสัณเสรนัลที่มิจฉาทิฏฐิเป็นของดีเพราะ เป็นลัทธิเป็นทิฏฐิที่เป็นฆ่าศึกศัตรูต่ออริยสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเป็นความขัดแย้งต่อมรรคเป็นของที่ทิ่มแทงต่อมรรคก็เลยเรียกว่าทิฏฐิวิสูกะเพราะเป็นฆ่าศึกต่อทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐินั่นแหละเป็นฆ่าศึกจึงชื่อว่าทิฏฐิวิสุกะเแต่กว่าทิฏฐิอันเป็นฆ่าศึกก็ต้องพ้นนะต้องพ้นลัทธิมิจฉาทิฏฐิ ลดพ้นด้วยอะไรด้วยกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมัคสัมมาทิฏฐิมัคสัมมาทิฏฐินี่แหละที่ออกจากมิจฉาทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิด้วยทัศน์มัคคือโสดาปฏิมัคเมื่อเห็นพระนิพพานก็พ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงบทว่าปัตโตนิยามังบรรลุแล้วซึ่งความเป็นผู้เที่ยงเพราะไม่มีความตกต่ําเป็นธรรมดา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 ในขณะโสดาปฏิมักนั้นโสดาปฏิมักจึงแน่นอนเรียกว่านิยามนิยามแปลว่าแน่นอนพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นสําเร็จในปฐมมักและได้เฉพาะปฐมมักด้วยคําพูดมีประมาณเท่านี้ก็บอกว่าเราล่วงพ้นที่อันเป็นค่าศึกได้แล้วเป็นผู้ถึงความเที่ยงได้มักแล้วนี้แปลว่าได้อะไรได้โสดาปฏิมักต่อไปคําว่าเป็นผู้มียานเกิดแล้วก็หมายถึงว่า อุปปัน ญ, ญานมหิความว่าเป็นผู้มีปัจเจ ก, กพุทธญาณเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากอะไรหลังจากอนนาคามิมักหลังจากสกทาคามิมักที่ได้มาจากการเจริญโสดาปติมักบทว่าอนัญเนโยอันบุคคลเหล่าอื่นไม่พึงแนะนําว่าสิ่งนี้จริงสิ่งนี้ไม่จริงอมารไม่ได้กินแล้ววะนะพวกอามารไม่ต้องแนะนําแล้วเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วว่านั้น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 แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติอยู่ในสัมมาทิฐิเป็นผู้เที่ยงด้วยมรรคต้นคือโสดาปฏิมรรคได้เฉพาะแล้วซึ่งสกะทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคมีญาณอันเกิดแล้วด้วยผลญาณได้บรรลุแล้วซึ่งญาณทั้งปวงคือญาณในโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกะทาคามีมรรคสกะทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลและก็ปัจเจกขณะญาณสิ่งเหล่านี้ อนเนนยันไนโยผู้อื่นไม่ต้องแนะนำไม่ต้องมีใครบอกใครแนะนำก็ตรัสรู้แล้วนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องพ่อครัวปรุงอาหารถวายพระเจ้าพรารณสีก็ไว้เป็นอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ท้ายที่สุดนี้ขอให้เราทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมที่พระประเจกพพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอให้เจริญงอกงามะนะในหน้าที่การงานเจริญงอกงามในสมบัติ3ประการตรัสรู้อริยสัจ ท, ทุกตนทุกท่านอนุโมทนา